คำของก็พุทธเจ้าแสดงอย่างถูกต้องไม่มีปิดบังลี้ลับคือแสดงตามความจริงทุกอย่างไม่ว่าขั้นไหนห่งังธรรมจนหลอด บ, บาปบุญนรกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งเข้าถึงเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นความจริงด้วยกันหมดเราจึงหาที่ขานมันนะ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 นี่น่ะอันนี้หนมูคคำเห็นแต่ตามไม่เห็นนี่ผ่านไปที่ไหนก็โดนตั้งแต่ทุกทั้งทั้งที่ท่านกสอนมาทุกมันเป็นยังไงไม่รู้เูยแต่มันก็โดน้วจนได้เนี่ยบอกว่าทุกม่ใ่ของดีก็โดนแต่ทุกเพราะสาเหตุมันเดินตามสาเหตุการกอบโกยทุกข์ขึ้นมาเท่าตัวเองท่านั้น ในธรรมคุณท่านแสดงว่าสันทิทธิโกนี่ตอนตอนตาย ต, นต้นท่านวาเอหิปัสสโกโอปะยียโกนี่เป็นหลักสำคัญมากเอหิปัสสโกท่านตรงมาดูทมของจริงนะไม่ได้หมายถึงว่าจะเรียกคนอื่นให้เขามาดูทมของจริงเอหิก็คือสอน ผู้นั้นน่ะผู้ฟังทำผู้ปฏิบัติทำนั่นแหะให้ท่านจงดูที่นี่คือท่านตจงดูที่นี่ที่นี่ความจริงนี้เป็นสิ่งถ้าว่าพูดแบบโล ก, กเขาจะว่าท้าทายรหดับยิ่งละคือจริงจนขนาดที่เรียกว่าท้าทายอยางนั้นเลยให้ดูที่นี่เอฮิให้ดูที่นี่ไม่หมายถึงว่าเรียกคนอื่นมาดูใครจะมาดูได้ ก็เขาไม่เห็นของจริงรู้ของจริงของจริงหรือว่าเขาเขายังไม่เห็นเขายังไม่รู้จะ ม, มาดูของจริงอยู่กับเราได้ยังไงหมายถึงกันดูความจริงของเจ้าของขอ ง, งของจริงของเจ้าของที่มีอยู่นี่ โ, นโกปัญญาโกเห็นเรื่องอะไรก็ตามให้น้องเข้ามาเป็นประโยชน์สำหรับตนเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายลึกปรากฏขึ้นภายในาจิตใจ เกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตของอันใดก็ต่างให้โอปัญญโกนน้อมเข้ามาสู่ภานาจิตซึ่งเป็นต้นเหตุสาคัญมันจะก่อเรื่องต่างๆให้เกิดมึนขึ้นภายในตนไม่นอกเหนือไปจากจิตนี้เลยจิตจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากมโนปุพังธรรมาธรรมะเท่านีก้กระเทือนโลกธาตุแล้วใชหมใช้เป็นต้นเหตุ ทำทั้งหลายมีใจเป็นทั้งขัดเนี่ยมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบทำทั้งหลายไม่มีอันใดที่จะรับทราบได้นอกจากใจแล้วทำทั้งหลายคืออะไรกุศลธรรมอกุศลธรรมมีอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่มีขึ้นที่ใจทีนี้กุอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจผิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งออกมาจากความโง่เขลาคนอื่นโดยที่ไม่รู้สึกว่าตนโง่นั่นเรียกว่าอากุศลาธรร ม, มามันเกิดขึ้นที่ใจถ้ากุชลาธรร ม, มาเป็นคือเรื่องของปัญญาพิจิตรณาแก้ไขความโง่ของตอนที่เรียกว่าอกุศลานั้นถ้ามันหมดไปจากใจนี้นี่โอปัยญโกเข้ามาที่นี่เรื่องโง่โลงฉลาดของใครก็ตามให้น้อมเข้ามามันนั้น้อมเข้ามามาสะอแอ่ที่ปัจโกให้ดูที่ตรงนี้ บอแห่งเหตุทั้งหลาย น, นคือใจสแสดงอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดยั้งทำงานอยู่อย่างนั้นยิ่งกว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์รื่งเขาเปิดเป็นเวินล่ำเวลาแล้วปิดไปตามการตามเวลาของเขาอันนี้ไม่มีปิดเปิดวันยังคั่งคืนยังงเปิดจกนกระทั่งวันตายไม่มีปิด แล้วก็บ่นว่ามันทุกข์บ่นไปท่ายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่แก้ต้นเหตุที่ควรแก้ซึ่งแก้ได้แล้วทุกกระดับไปเป็นลำดับลาดับตามความสามารถอย่างความเฉลียวฉลาดหรือความรอบครอบผู้่อุบายวิธีหรือตรงที่แก้ไปได้ถึงไม่สอนไปที่อื่ น, น, นมันเหมือนกับสอนให้ตะคุกเงา น, น่นน่น น, น, น เอาตัวเหตุเป็นสําคัญที่เลตมันเกิดขึ้นที่นี่เน่ระวังอะไรเป็นตัวเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ความลําบากให้สัตว์โลกทั้งหลายลําบากตลอดถึงเป็นผลให้เกิดแก่เจ็บตายน่เป็นผลออกจากที่เลตซึ่งเป็นเชื้อเป็นตัวเหตุสำคัญมันเกิดขึ้นอย่างไรถ้าไมาตรวขึ้นจากใจแน่นั่นอยู่ที่นี่ถึงไม่สอนไปที่อื่นเพราะเวลาพิจารณาก็ เอาจริงเอาจังเอาเหตุเอาผลให้รู้ความจริงไปโดยลำหนักและถอดถอนเจลีบไปได้เดิมหนักซึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวภัยนั้นก็ถอดถอนที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นผู้ปูกมรรตัวเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาในขณะที่มงงขาวเบาปัญญาไม่รู้เรื่องูหลักเวลาถอดถอนโดยอุบายวิธีสติปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดไปโดยลํำหนักดักก็ถอดถอนกันที่ตรงนี้เนีสติตั้งให้มีอยู่ที่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่หน้าเป็นจุดที่รัก เป็นจุดที่ควรรักษาอย่างยิ่งเป็นจุดที่ควรบำรุงอย่างยิ่งขือนใจบำรุงก็บำรุงที่นี่ด้วยสติด้วยการอบรมคือภาวนาส่งเสริม ท, ที่มีอยู่แล้วให้มีความเจริญขึ้นไปด้วยการบำเพ็จรักษาอย่าให้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ประ a m a t ระวังอย่าให้จิตนี้แสเออกไปดุ่งกับเรื่องอะไรแล้วนำสิ่ง น, นั้นเข้ามาเผาตนเอง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 ยังคนคนเดียวเท่านี้มันก็เต็มโลกแล้วแหละทราบศพที่เกิดตายเกิดตายเกิดตายแต่เจ้าของนับไม่ได้นับไม่ถ้วนไม่รู้จักนับปิดบังตัวเองความจริงงตัวเองที่เป็นมาสลายพอปิดบังความจริงซงหมดยังเ้วือแต่ความหลอกลวงอืโลโลเลเลหาความจริงไม่ได้ทีนะ่สอนให้แก่ที่ิ้งพยายามอบรมสติให้ดี ทันกับความคิดความตุงมันตุงขึ้นที่จิตมันตุกจิตอตลอดเวลาถ้าเรามีสติแล้วความกระเพื่อมของจิตตึงยับออกมาเท่านั้นจะเป็นการตุกสติปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเรานั่งอยู่กับที่เราเฝ้าเราเฝ้ามันอยู่กับที่ที่ที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งเหตุทั้งหลายได้จะใจเราต้องทราบพอกระเพื่อมตัวออกมาก็ทราบทราบทราบโดยลําดับ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 เราพิจารณาหลายครั้งลหลายผลมาหนักซึ่งไปเองคราวนี้ก็ทราบคราวนั้นก็ทราบคราวนี้ก็เข้าใจคราวนั้นเข้าใจเข้าเข้าใจหลายครั้งลหลายผลเลยเป็นความทราบซึง้งแน่ใจรูปต่างว่ารูปอะไรเป็นรูปเนี่ยรวมทั้งหมดผมก็เป็นรูปขนเล็บพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นรูป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 กรองไปความรู้ๆไปตามอาการนั้นๆปัญญาตรองไปให้มันซึงซึงสติรับทราบไปทุพยะนี่คืองานของเรางานเล่หล์หล่อนงานความคิดความปรุงโดยไม่มีสติสตังนั้นเราเคยทํามาพอแล้วและเคยเป็นโทษเกิดโทษน่ากระทบกระเทือนจิตใจเรามากมายเพราะความคิดความปรุงเช่นนั้นงานเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรางานเช่นนี้เป็นงานที่จะรื้อถอนพืชภัยอะไรที่เกิดขึ้น ภายในตัวของเราให้หมดไปโดยลนำนํำดับคืองานกรรม ก, การกำหนดด้วยความมีสติกํากับปัญญาแต่จรองความรู้เดินไปตามอาการนั้นนเราถืออาการนั้นเป็นเหมือนกับเส้นบรรทัดเ อ, อมันเดินไปตามนั้นปัญญาแน่ไปตามอยู่ละเหมือนกับเขียนไปตามเส้นบรรทัดสติประคองไปด้วยดูไปด้วยเดี๋ยวเราเที่ยวแล้วความอยาก รู้อยากเห็นให้อย่างรวดอย่างเร็วนั้นเราจะเอาเขามาเกี่ยวข้องให้เหนือความจริงนั่นไปมันรู้ยังไงให้เข้าใจตามความรู้นั้นแล้วกําหนดตามไปเลยๆ เ, เราจะแยกดูความเป็นอยู่ของมันไปยังไงอภายในภายนอกมันบางๆแค่นั้นแ่ะไอ้ที่มันหล่อรวงตาโลกหลอรวงตาท่านตาเราไม่ได้หนาเท่าเวลาะเลยคือผิวหนังยนี่เราจะพิจารณาในแง่หนึ่ง เหล่านี้เป็นการพิจารณาเพื่อจะถอดถอนความหลงของตัวเองทั้งนั้นและเวลาเราพิจารณาที้มันเพลินอีกเหมือนกันเอา้าดูขึ้นไปข้างบนดูลงไปข้างล่างดูไปข้างนอกข้างในภายในตัวของเราเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้อ่าสติตามอย่ามันสักแต่ ว, ว่าไปให้ตามไปตามปัญญาที่จองไปตามความความรู้ที่ที่ รู้กับอาการนั้นๆไปโดยลำดับ ๆ, ๆะจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างที่ไหนถูกสัจธรรมทั้งนั้นเรียกว่าเป็นงานตะยังเป็นที่ทั้งเดาบงานนี้เรียกว่างานหรืองานถอนพิษภัรที่อุปทานเข้าไปแทรกไปสิงรปยึดไปถือทุกชิ้นทุกอันภางในร่างกายนี้ เพราะฉะนั้นทุกยังมีอยู่ทุกแห่งทุกของเพราะอุปทานเป็นทั้งคันคำว่าทุกมีทุกแห่งหนหมายถึงว่าทุกเพราะความยึดถือไปเป็นทุกขที่ใจไม่ใช่เป็นทุกเพียงว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นทุกอันนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ถ้าสาวกก็เป็นได้เพราะขันนี้ตั้งหนมันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังรตาดีแล้วมันจะต้องแสดงตามกฎทั้งมันแต่ถ้าหลักผิตผู้พ้นจากกฎอนิจจังทุกขังรตานี้ มีฐานะที่จะพ้นจากกฎอันตรายตัวหนังตานี้ให้พิจารณาพิจารณาสิ่งที่ว่านี่อย่าให้กระทบกระเทือนตัวเองพออเพราะฐานะคอามตัวเองเป็นต้าขันที่จะไม่สิ่งเนี้มากระทบกระเทือนได้นะไม่ให้ทุกเกิดขึ้นภายในพิจารณางไปดูหนังเป็นยังไงหนังสัตว์ที่เขาตาวันนี้เป็นยังไงน้ำรองเท้าเราเป็นยังไงฮะดูไปหมด เนื้อเอ็นกระดูกลองดูเนื้อสัตว์เนื้อบุคคลมันก็เหมือนกันดูเข้าไปกระดูกลองดูดูอะไรดูเข้าไปดูภายในร่างกายนี่นะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าท้าทายอยู่แล้วตามความจริงของเขาทำไมใ จ, จเราถึงไม่อาจารนด้วยเห็นตามความจริงนั้นแล้วก็ท้าทายทันความจริงตัวเองอยู่ถือด้วยเห็นสิ่งความจริงเหล่านั้นน่ะ มันเป็นความทา้าทายเป็นด้สติปัญญาตนเองอีกทีนึงจากความจริงทั้งหลายที่ทา้าทายเราอยู่ลานี้มัถูกทั้งสองเงื่อนคือเงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลายไม่ว่าป่าลูกเวทนาพญญาและขาปัญญาเป็นความจริงเป็นของมีอยู่ทา้าทายอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนนะแล้วปัญญาต้องยังให้ทราบตามความจริงของเขาปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใ จ, จเป็นการทา้าทายความจริงขึ้นมาภายในจิตใจัง้งตดนี่เป็นการถอดถอนที่เหล็ะ สงบเป็นอย่างนี้นี่หละความจริงกับความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เป็นไผ่อถอนพิษภัยทั้งหลายออกได้โดยลำดับเลยนะตอนที่พี่นาเดินกรรมฐานออืเนี่ยเที่ยวกรรมฐานทันที่วันเที่ยวไปตารรมวัยละน้อยใหญ่กล้องไปกล้องไปต่อแค่นั้นแล้วก็เอา้ากรรมฐานนี่มันจะสลายแปลสภาพไปยังไงเอากันหมดลงไป มันจะเปื่อยจะผกจะทงกําหนดลงไปกําหนดลงไปมันกองลงไปมีนเป็นอย่างนั้นเคยกําหนดอย่างนั้นแท้ๆ <c ười> นะพอกําหนดลงไปกำหนดลงไปแล้ว <c ười> เราจับในอาการใดสมมติเราจะกําหนดให้มันเห็นชาติภายในจิตเราจะจับอาการใดก็ตามให้จับอาการนั้นไว้ให้แน่ให้เป็นความรู้ปรากฏให้เป็นภาพนั้นปรากฏอยู่ภายในจิตของเราสติจับ หรือจดจ้องเหตุที่จบนั้นอ้าวภาพอันนั้นมันจะตาปฏสูงต่ำไปไหนก็ตามเราอย่าไปคาดการหมายความสูงความต่ำสถานที่ของเอ่อเป้าหมายที่เรากําลังพิจารณานั้นให้ให้เราถือเป้าหมายนั้นเป็นจุดสําคัญของความรู้ที่ติดแน่กันอยู่นั้นด้วยสติเป็นผู้ควบคุมอ่าอาการนี้มันจะขยายตัวมากน้อยก็ให้ให้มันเห็นประจักษ์ในปัจจุบัน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 จะเป็นเนื้ออวัยวะส่วนใดก็ตามกําหนดลงตรงนั้นให้เห็นชัดเจนอยู่ภายในนั้นแล้วมันจะค่อยกระจายไปกระจายไปกระจายไปเมื่อสติของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยดีคือความรู้สึกตัวอยู่นัจิตก็รู้ทํางานปัญญาก็กรองตามนั้นถ้าเดี๋ยวมันก็ค่อยกระจายลงไปกระจายไปนี่หมายคำมันมันปุ่ยมันพังลงไปพังไปอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังอ้อดูมันชัดเจนลงไปเราไม่ต้องกลัวตายเออ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 ตกลงไปต่อหน้าแล้วเอาขาดลงไปแขนขาดลงไปแขนท่อนนั้นกระดูกท่อนนั้นขาดลงไปกระดูกท่อนนี้ขาดลงไปภายในนี่มันก็ทะลักออกไปเอาดูมันเรื่อยๆเพิ่มดูเรื่อยๆเอาแต่ลงไปเรงลงไปอ่าส่วนน้ําก็ซื้ลงไปนี่หมายถึงว่ามันเห็นประจังนะซื้ลงไปในดินบ้างเป็นไอขึ้นอากาศบ้างเรื่อเวลาน้ามันปรากฏเป็นซึมซาบลงไปใต้เป็นไปในดิน และออกเป็นอากาศในหมดนแล้วมันก็แห้งเอาไป ว, ว่าส่วนนี้แห้งแห้งค่อยกรอบค่กรอก็แห้งเข้าไปแห้งเข้ไปเลยกลายเป็นดินไปดินกับอันนี้เลยเหมือนก็กลมคืนไปนเดียวกันไปมีเห็นชัดอ่าส่วนที่แข็งกระดูกกำหนดโดยลําดับอย่างหนึ่งก็หนดไฟเผาก็มีอ่อย่างหนึ่งค่ะมันค่อยค่ะมันค่อยอ่าผุพังลงไปกระจายไปกระจายไปจนแบบคลืนกันเข้าไปเ ป, ไป็นเดียวกันกับดินเห็นชัดเอ่าทีชัดที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณานี่ก็คือ ธาตุดินกับธาตุน้ำแล้วสิ่งที่ติดใจซึ่งซึ้งภายในใจก็คือธาตุดินส่วนน้ำก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นอารวมไฟก็ไม่ค่อยอมีอะไรนะไม่เป็นข้อหนักแน่นสำหรับการพิจารณาและเป็นสิ่งที่จะซึ้งพายใน จ, จิตใจเหมือนน อ, อ่ า, อาพิจารณาร่างกายส่วนรูปพอพ อ, อนี้มันกระจารไปกระการไปลกล า, ายไปไปดินหมดพอกลายไปดินหมด ทีนี้จิตมันก็เวิ้ง ว, ว, วางขิ้นฮะแล้วว่างไปหมดอย่างนี้ก็มีแต่ผู้พิจารณากัลยาณ์าาได้คาดนะให้เอาความจริงของตนเป็นสมบัติของตนเป็นสักขีพยานของตนจะเอาความคาดคะเนมาเป็นสักขีพยานมาเป็นข้อดําเนินมันมันมันคาดมันค า, าดแล้วมันจะเป็นไม่ใช่สมบัติของเรา นั่นเป็นสมบัติของท่านสมบัติของเราคือเรารู้เองเราเป็นยังไงพายมันเป็นขึ้นภายในตัวของเราเองนั่นแหละคือความรู้ของเราความเห็นของเราสมบัติของเราถ้ากําหนด อ, อย่างนั้นบางครั้งไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นมันเอ ง, เองโดยหลักธรรมชาติพอกายลงไปอย่างนั้นดินลงไปอย่างนั้นหมดแล้วบางพีขึ้นขึ้นอย่างมันดินอกระดูกนี่ มันค่อยแหกมันมันค่อยผุพังลงไปพังลงไปยังไม่หมดแต่อันหนึ่งมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจว่าที่มันยังไม่หมดนี้มันก็จะต้องเป็นดินเช่นเดียวกันอันนี้มันมีความปรุงมันขึ้นภายในจิตทั้งๆที่ในขณะนั้นไม่มีกายเลยในความรู้สึกมันมีความปรุงขึ้นอย่งนั้นทั้งเดียวไม่ทราบแผ่นดินมาจากไหนมันทับเดี๋ยวมาทับไอ้ที่ยังผุพังไม่หมด กลายเป็นดินไปนหมดด้วยกันเพออันนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วจิตไม่สร้างเป็นอะมันมันกลับมันอีกอันหนึ่งเป็นขณะมันพับลงอีกทีเนี่ยเลยหมดแผ่นดินก็ไม่มีนะทั้งแต่ที่แผ่นดินมันมันไหลามาทับกันอย่างรวดเร็วมาทับกระดูกกองกระดูกของเราที่ยังกระจายไม่หมดแล้วลายไป ห, หมด อะไรว่าเป็นดินอันหนึ่งมันก็รู้ขึ้นมาทับอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นดินหมดในร่างกายนี่ที่มันลงไปก็ไปเป็นดินหมดพอว่างันจิตมันพับเข้ามาอีกมันมันที่ขนาดของมันอะไรไม่ทราบเลยดินก็หายอะไรเลยหายหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆโล่งไปหมดเลยเกิดความอัศจรรขึ้นมาอย่งพูดไม่ถูกซึ่งการพิจารณาที่นั้นเราก็ไม่เคยเป็ มันก็เป็นขึ้นมาอย่างทันกทกีอเลยอยู่นั่นใช่คืออยู่อันเดียวเท่านั้นนะจะมีขณะในขนดขณะหนึ่งของจิตว่าเป็นสองมันมีขึ้นมาไม่ได้เพราะมันตายตัวด้วยความเป็นหนึ่งแท้ๆถึงเพอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นสองกับความปรุงแต่ที่มันไม่มีความปรุงไม่มีคือเหนือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้และเป็นของอาจารย์อยู่ในความที่สักแต่ว่ารู้นั้นคือมันเบิกวางไปหมดเลย โลกธาตุนี่ต้นไม้ภูเขาอะไรตรงนี้เป็นต้นนะมันไม่มีแต่ว่ามันเป็นอากาศได้หมดพูดนั้นมันก็ไม่สําคัญว่าเป็นอากาศอื่เหมือนกันมันมีอยู่ความรู้นั้นเท่านั้นเนี่ยพูดได้เท่านี้โอเป็นชั่วโมงช่อมงดีมั้ยพอจิตถอนออกมาจากนั่งแล้วแม้แต่เราจะกําหนดดูอะไรมันก็มันไรเบิ่งว่างไปอีกเหมือนกันฮะ นี่เป็นอย่างอันนี้มันอาจเป็นได้คนละครั้งคนนั้นนะแต่นี้ก็เคยเป็นได้ครั้งเดียวไม่เคยซ้ําอีกเลยส่วนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะเฉพาะนี่มันเป็นได้ตามความจํานาญของของิปเป็นได้จน ม, มาทั้งแบบเป็นได้ทุกครั้งหนักเพราะมันชันหนักมันเป็นได้ทุกครั้งที่เราพิจารณา น, นี่ให้เห็นชัด ความแปรสภาพให้เห็นเราเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมไฟอย่างชัดๆอยู่นี้ทุกเวลาที่เราพิจารณาความที่เป็นอยู่เช่นนี้แหลคือเป็นความจะสามารถที่จะทําจิตของเราให้มีความเคยชินกับความจริงคือดินน้ํำลมไฟแท้ไม่คือมันมาถอนเอาความที่ว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เป็นเราคือมาถอนอันนี้ออกลงไปสู่ดินน้าลมไฟแม้จะอยู่ในนี้มันก็ชัด แต่ว่าธาตุเนี่ยถ้าว่าธาตุมันก็ธาตุธาตุบาตรธาตุดินมันก็ธาตุดินมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันชัดเพราะความรู้ทําๆซักซ่ารู้ไม่หยุดไม่ยั้งรู้อยู่เรื่อยๆมันเพิ่มความซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วถอนตัวออกมาจากคําที่ว่ากายเป็นของเรา เลยกายก็สักแต่ว่กายถ้าให้ชื่อว่ากายก็สักแต่ว่กายถ้าเราจะชื่อว่าสักแต่ว่าปรากฏสภาพวันนี้เท่านั้นมันก็พูดได้เมื่อจิตมันออตัวแล้วมันถ อ, อนตัวมามันไม่มีอะไรเป็นปัญหาเราจะว่าเขาเป็นอะไรเขาก็มีปัญหามันเป็นมนหาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้ปัญหาของเรานี้ออกจากความโล่งหลงความต้องการมันหมายต่างๆให้เข้าสู่ความจริงของต่อมคือรู้ร้วนล้วน อันนั้นก็ธาตุว้วนล้วนถ้าหากว่าเราแยกไปถึงร่างกายกับธาตุว้วนล้วนเนี่ยแยกขมาจิตย้อนขมาจิตก็จิตล้วนล้วนทั้งสองล้นล้วนนี้เข้าไปก็เป็นความจริงล้วนล้วนนาอ่าทีนี้เมื่อเราทราบชัดตรงนี้อาเวทนาจะเกิดขึ้นพอเกิดเออแปว่าไงมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งหรือหรือเป็นสภาวะทรรมอันหนึ่งเช่นเดียวกับร่างกายอันนี้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 มีเยว่าสติฐานถ้าไม่ทันแล้วต่อเรื่องมีการพิจารณาความจริงในร่างกายนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพริการที่ทรงสอนสติปัฏฐานสี่มันมีอยู่ในร่างกายและปิตใจในทั้งนั้นถ้าจะทำก็มีอยู่ในที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่สรุปลงแล้วลงสู่ที่จิตดังที่ว่าพิจารณาไปทั้งหมดพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาให้เพื่อให้จิตรู้รู้ตามความจริงนั้น แล้วจะได้ปล่อยจะได้ปล่อยความงมงายก้านในการทึดถือนั้นเข้ามาสู่ความจริงของตอนแน่อ้าวเมื่อหมดความงมงายในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่แล้วหมดควา ม, มงายในเวชนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเกี่ยวกับขันหานี่แล้วก็เข้ามาพิจารณาความงมงายข้งหลังนะนันยังไม่เห็นมันความงมงายตามขั้นของกิเลส ที่มันละเอียดอันนี้เรียกว่าเป็นความได้อย่างกิเลสเป็นความงายละเอียดของจิตถอนลงมาพิจารณาลงมาอีกอเอาอะไรเป็นหลักมาพิจารณาจิตจิตเป็นนามธรรมเวทนาก็เป็นนามธรรมนี่ยกิเลสก็เป็นนามธรรมปัญญาก็เป็นนามธรรมไม่ว่าจะเป็นว่าจิตจะเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมมันอยู่ด้วยกันมันติดกันได้อกิเลสกับจิตมันก็เป็นนามธรรมมันติดกันได้เอาปัญญา คนลงไปมันเป็นนามธรรมด้วยกันค้นลงไปให้พิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาลูปเวทนาสานาัญญาลัคนายานแยกแยกให้เห็นตามความจริงของมันแล้วยกจิตนี้ขึ้ น, ม า, ม, นมาเป็นตัวนักโทษทีเดียวฟาดฟันหันแหลกลงในตัวนักโทษเนี่ยนี่แหละนักโทษมันเก็บพวกเข้ามารวมไมในตัวนี้หมดหรือว่าตัวนี้เป็นตัวเก่นตัวรู้ตัวฉลาด สิงนั้นถึงนี้รู้ไปหมดแล้วโลกระฐานนี้รู้เพียงกินรสเครื่องสัมผัสรู้หมดอือรู้เวทนาสัญญาสังขารปัญญาภายานภาในร่างกายที่เป็นขันธ์หานมันรู้หมดแต่มันยอมรู้ตัวเอ ง, น, งนั่นสิมันมาปิดตรงนี้มันมาโง่ตรงนี้ความตึงย้อนปัญญาเราเข้าแทรกเข้ามาภายในนีอก่ผ่าด้วยทะลุเข้าไปนี่แทงเข้าไปตรงนั้นเข้าไปหาความรู้นั้นอืความรู้ที่มัน มันว่ามันเก่งๆนั่นแ่ะนั่นแหละคือตั ว, ม ง, วาางมงายของมันเหมือนอะไรลองรู้อันนี้ไปดูยกขึ้นมาเป็นนักโทษมันก็เป็นสภาวธรรมอันหนึง่งอ้าวจิตจะคิดหายไปเพราะการพิจารณานี้ยอ้าวให้คิดหายไปถ้าจิตไม่คงต่อความจริงแล้วจิตจะคิดหายถ้าจิตทรงความจริงไว้ตามธรรมชาของตัวเองซึ่งเป็นความจริงจริงๆแล้วอา้าวให้มันเห็นมันจะสูญหรือไม่สูญให้มันรู้มันจะไม่สูญนะพ้นลงไปแล้วไม่ต้องเสียดาย เรื่องจิตก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวว่ามันจะทําลายมันจะสลายมันจะคลิหายไปมันจะสูญสิ้นไปไหนเมื่อถูกปัญญาทาลายไปกิเลสมันสูญสิ้นไปจริงเพราะมันเป็นสิ่งจําปอบอยู่ภายในจิตะกําหนดลงไปจริงจริแล้วไอ้สิ่งที่มันควรสูญยังไงมันก็อยู่ไม่ได้มันสูญสิ่งที่มันธรรมชาติที่มันสูญไม่ได้ะทํายังไงมันก็สูญไม่ได้คือจุดจะสูญไปไหนนั่นแหละผู้ที่ ถูกพิเลย์ครอบงำอยู่นี่ก็คือจิตปัญญาฟาดฟันจิเด็์อึแหละลงไปหมดจากจิตแล้วจิตอันนี้มันก็สูญไปไม่ได้เลกลาเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาผู้นี้แหละคือผู้บริสุทธิ์เอาอะไรไปสูญฮะสูญแล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรนั่นตายนั่นตายนี่ตายอันนี้เป็นอมตะขึ้นอมตะเรื่องความบริสุทธิ์ไม่ใช่ออมตะที่กลิ้งไปตามวัตตะวัตววตะบนทั้งหลายนะ อันนั่นก็เดี๋วมันไม่ตายแต่มันกลิ้นไปอยู่งั้นเอมาตังอันนี้ไม่ตายด้วยไม่กลิ้นด้วยเป็นวิวัตตะคือไม่ตายแต่ไม่หมุนนี่ตัวกินอยู่ภายในในทํากลางขันท่าของเราอันนี้แลตัวสําคัญเจ้าอายุแย่ก่อควรมันเข้าไปกุ้มกุ้มลุมจิตเนี่ยให้จิตหลงไปตามรูปตามท่าตามขันตาม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 แล้วอะไรจะจีบหายเราจะถะาขาดทุนเพราะอะไรร่างกายแตกก็แตกไปสิก็อนนี้ทัออ้งทุกขงาาังตาท่านก็บอกไว้แล้วว่ามันครอบโลกธาตุจะไม่ครอบขันยังไงหือรายรักมันครอบโลกธาตุแล้วทํำไมจะไม่ครอบขันลราได้นี่มือมันเป็นไปตามกฎปริจารณทุกขังต า, ามันเราจะไปขัดขวางมันได้ยังไงเอาพลอยมันไปเอออะไรไม่ทนอ้าวแตกายเออมันมีแต่สิ่งที่แตกแต่สิ่งที่สะลายทั้งนั้นอยู่ในโลกธาตุนี่ เป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันมีเท่านั้นแล้วขนันของเรามาจะทนไปได้อย่างไงมันก็อยู่ในกรอบอันเดียวกันเอาพี่นะให้เห็นตามความจริงไว้ก่อนที่ยังไม่แตะนี่เป็นความรอบคอบของใจของอัญญาชัดเอาถึงเวลาพุกธคุณชาเกิดขึ้นเออนี่ขึ้นเวทีแล้ววันนี้ว่า น, นั้นเลเอเราจะขึ้นเวทีเพื่อเห็นความจริงรู้ความจริงตามหลักธรรม ไม่จะขึ้นเวทีเพื่อความล่มจมนะทุกเวทนาเกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกเวทนาการที่ชนะเรื่องทุกเวทนาที่มีอยู่ในขันนี้เป็นเรื่องของสติปัญญาเราถ้าทราบความจริงมันจะล่มจมไปไหนแเราไม่ทําเพื่อความล่มจมเราไม่ทำเพื่อความผ า, ายแยตัวเราเราทำเพื่อชัยชนะก็รู้ตามจัตตามส่วนของจิตที่มีอยู่ที่เป็นไปที่เป็นอยู่แค่ว่าภายในจิตใจเท่านั้น แล้วอดค้นก็ได้จากสิ่งนี้นั่นถึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่แหละถ้าหนาเป็นมงคลคือนิบารณสัชาฉชิกิริยาเอตรรมังคทยมุตตังนี่แหละการทำพนิพา์ให้แจ้งทำอย่างนี้แหละพันิพนา์ถูกปิดบังคือกิตนั่นแ่ละถูกปิดบังเมื่อที่เรียกสถาอาอวิชชา มันปิดบงังมันไม่แจ้งจึงแ้ไขายกันด้วยวิถีมีคือพิจารนาแยกแยะเห็นตามความจริงเป็นการเปิดสิ่งที่เป็นที่ปิดบังหลายออกที่เรียกว่าทําให้ผ่านให้แจ้งให้แจ้งชัดภายในจิตใจเมื่อแจ้งชัดขึ้นหมดแล้วเอตัมมังคมุตตังเป็นมงคลองคสูงสุดนั่นอะไรจะสูงสุดยิ่งกว่านบารสิตาทะทะสัจจิกิยาอันนี้เป็นสูงสุดต่อหน้ากับพุทธะโลกอธรรมนิฮิต จิตตัญญสังฆกรรมปติอโซกังเือจังเทศสมังเอตมังขาุตตะมังฮะจิตนี้อะไรมาสัมผัสก็ตาเมื่อมีความปันท่านขึงเหมือนขึงทั้งหลายอะไรก็มันก็แตกต้องมันได้มาเข้ า, ม า, ไ, ข า, มาไม่ได้เพราะมันหมดสิ้นไม่ได้วางเลยเอตมังขันเป็นจิตที่ก่อเต๋อเอตมังขมามุตตะมังอันนี้วันนี้ฮะอยู่ที่นี่นะเนี่ยที่ท่านกล่าวมงคลสองข้อที่ กลางวานนี้อยู่ที่ใจนี่น่ะไม่อยู่ที่ไหนหตัวนี้เราเป็นตัวมงคลเแล้วเป็นอภิมงคลก็อยู่ในฉากเดียวกันนี่น่ละเราเวลานี้เราแก้อภิมงคลนั้นออกเพราะมันมีอยู่ติดใจของเราอยู่ให้เป็นมงคลขึ้นมานี่บาลสัจจกิริยาเอาแก้เปิดเผยลงไปแต่โพแต่โพจากบรมจรลิกะพระอริยจะเรียกสัจจารรนัสสมะนี่แตโ่โพคือความแผดเผากิเลสกิเลส เ, เป็นของร้อนเผาจิตเผาใจเรา ตาประทัมคือสติปัญญาเป็นของน้อนสนับกิเลสเขากิเลสลงไปนะว่าไงอริยสาัจและสนั่งก็คือรู้เห็นอริยสัจทุกกะรู้เป็นเต็มจุดชกมือไทยกัลละได้เต็มใจมัดก็บําเพ็ญได้เต็มภูมิของมหาสติมหาปัญญาไงว่าไงนิโรธจะแสดงเต็มที่นั่นงละตาจะทำถ้าม่าเห็นตาจะทำกันเห็นอย่างนั้น ผู้เห็นผู้รู้จะทําโดยสมบูรณ์นั่นแหละคือคือผู้ทำํำไห้่านให้แจ้ง แ, แล้วผู้ไม่บั่นไหวนะัรร่นเท่ากับทําทั้งทั้งหลายคือจิตนี่แหละอยู่ที่นี่พิจารณาเอาสาระสําคัญนี้ให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญส่วนร่างกายอะไรๆในขันทังไม่ยังา่ากยังที่เราเห็นเนพิจารณาแล้วขอให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญเอาอะไรจะขาดจะขาดไปเถอะ โลวกนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นมาแต่นันแต่ไรเราก็เคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กนรแต่เกิดตายเกิดตายนี่คราวนี้มันก็เดินตามทางหลวงที่มันเคยเดินทําหลวงทางําทางหลวงคือทางคติธรรมดาของมันใครห้ามไม่ได้อืมันเดินไปตามเลยเราก็รู้ตามความจริงของมันนียแค่วันนี้ก็เป็นความจริงของเราเอีทํามังอุตตัมมังที่ตรงนี้ฮ่าละ่าะการแสดงธรรมวันว่าต้องกวั